ขอพระองค์จงทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิดเนี่ยนะัวบคานี้เนี่ยนะใช้คําว่าอุตสาหะนะเที่ยวไปในโลกเถิดก็คิดดูนะแผ่นดินอินเดียเนี่ยพระพุทธเจ้าเดินย่ําทุกปีเนี่ยนะเดินย่ําทุกรอบปีเลยนะทุกปีนี่ต้องต้องจาริกนะจาริกรอบอินเดียเลยนะทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีสี่สิบห้าปีเลยนะออื ขอให้พระ อ, องค์เนี่ยเที่ยวไปในโลกเถอะแต่ที่จริงแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้เที่ยวไปในเฉพาะนั้นนะยังไปจักรวาลอื่นด้วยนะไปไปแสดงธรรมโปรดสัตว์ในหลายๆจักรวาลขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมะคือริยาสัตว์เนี่ยนะเพราะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมะจักมีนะก็เป็นคำราราธนาของพรหมนะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ว่ารีบรับเลยนะพระ อ, องค์ก็พิจารณาก่อนว่าลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบคําทูลเนี่ยนะต้องทราบนะไม่ใช่กราบทรงทราบคําทูลอาราธนาของพรหมและทรงสําคัญความกรุณาในหมู่สัตว์คือพรหมรู้แล้วว่าพรหมอาราธนาแล้วอัธยาศัยของพระองค์เองก็เป็นผู้ที่กรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าปณิธานเดิมตั้งมายังไงตั้งว่าถ้าเราบรรลุอริย ม, มรรคแล้วนะจะให้ผู้อื่นบรรลุอริย ม, มรรคด้วย ถ้าเราข้ามจากโอฆะกันดานเหล่านี้แล้วจะให้หมูสัตว์ข้ามโอฆะกันดานด้วยถ้าเราปรินิพานคื อ, แ ท, อ แ, แทงตลอดนิโรธสัตว์แล้วจะให้หมูสัตว์เนี่ยแทงตลอดนิโรธสัตว์เหล่านี้ด้วยเพราะนั้นเราโล่งใจสงบใจแล้วก็จะให้หมูสัตว์เหล่านี้สงบด้วยอันนี้ก็กรุณานั่งเดิมอยู่แล้วนะก็ประจบกับพรห ม, มาราธนานะปัจจัยหลักสองประการนี้องค์ก็เลยตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุข พุทธจักสูนี้มีอยู่สองอย่างนะเป็นชื่อของอินบริยะโปรปริยัติยานกับอาสยานุสยายานนะพุทธจักสูตเป็นชื่อของสองยานอินบริยะโปรปริยัติยานนี้เป็นยังไงนะให้ผู้การเล่าให้ฟังกันอินฟรีมาจากอินทรียครับอินทริยะปรปริยติยานเนี่ยผู้ยังลำบากเลยมาจากคําว่ามีปัญญารู้อินทรีย์แก่กล้าของสัตว์ว่าอิน ผู้ใดมีอินทรีย์ในเรื่องดัตตาสติวิริยะปัญญาเนียน่ยอินทรีย์ห้านะครับถ้าหากว่าสัตว์ใดมีอินทรีย์แก่กล้าพระองค์รู้หมดเพื่อว่านี่จะเป็นเครื่องมือที่จะให้พระองค์ไปโปรดสัตว์ทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีอินทรีย์ห้าเพียงพอแล้วพระองค์พระองค์ก็เมินครับนะเพราะฉะนั้นนะพวกเรานะ่าต้องต้อ ง, ต, องต้องมีพอสมควรนะถ้าไม่มีถึงไป ไปพบพระผู้มีภาคก็ไม่มีประโยชน์นะฮะถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีศรัทธาก็เท่าเดิมนะก็ไม่ไม่เท่าเดิมครับนะพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่ไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องอะไรสัเลยนี่ครอย่างเราเหมือนกันนะเราจะไปสอนไทยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไหม่เลิกเหมือนกันครับเหนื่อยเปล่านะนี่ก็เป็นเป็นญาณที่พระผู้มีภาค เป็นญานพิเศษนะหกยานนะี่หนึ่งใน6ที่พระมุทภาพ ท, ทรงมีมากกว่าสาวกอื่นๆถ้าเป็นพระมุทภาพแล้วจะมียานอันนี้นะอันนี้เป็นยานหนึ่งที่รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์เนี่ยนะหมายถึงว่ า, ามีศรัทธามากไหมเนี่ยนะหรือว่าศรัทธาน้อยวิริยะมากหรือวิริยะน้อยสติมากสติน้อยสมาธิมากสมาธิน้อยหรือว่าเป็นโรคสมาธิสั้น น, นะนะพระ อ, องค์ก็รู้เลย นะแล้วก็มีว่าปัญญาดีหรือว่าปัญญาไม่ดีฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยนะแทงตลอดหมดเลยเนี่พระองค์นี่รู้อินทรีย์นะว่าใครอินทรีย์ยิ่งอินทรีย์หย่อมยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมดเลย<ช>และก็อีกอย่างนะหนึ่งคืออาสยานุสยายานยานที่รู้อาสยะหมายค่ะว่าปกติแล้วอาสยะนะัเป็นชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ เขามักมากในกามหรือเนคขมะเขามักโกรธหรือมีเมตตาเขามากักถีณาหรือว่าอโลกสัญญาเป็นคนที่สงสัยหรือมีศรัทธาเนี่ยนะแยกออกหมดเลยนะว่าคนอยู่ในกลุ่มไหนก็ยานอัน น, นี้นะครับยานอันแรกคืออินทริยประปโลปริยตติยานเนี่ยมองหาความดีของของคนของสัตว์ เพราะยานที่สองนี่ดูความเลวความชัว่วไล่เพรนะมีมากไว้มีมากเกินไปบางเรื่องปลดไม่ได้เหมือนกันเกิดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เกิดได้เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเป็นเป็นเป็นไม่ไม่ใช่ติกะไม่ติกะเห็นนะครับไม่มีไม่มีปัญญาเอาเลยนะครับหรือว่าทํากรรมอะไรไว้ที่หนักๆเนหมดหมดสิ้นเหมือนกันครับอาสยานุสยายา น, นี่ก็ ก, ก็ก็เป็นเครื่องมื อ, อะนะนของพร ะ, อ, ะ, พระองค์ หนึ่งในหกยานนะครับคือส่วนที่สําคัญนะว่าอย่างพระธรรมที่พระองค์จะไปแสดงให้เขาฟังนะอย่างไรเสียก็แสดงอริยสัจใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่รู้ไอว่าอินทรีย์เขาเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาสยะเป็นต้นเขาไปยังไงเนี่ยนะไปเล่าอริยสัจให้เขาฟังเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีหรือจะได้ร้ายกลับมาใช่ไหมนะไปที่ไหนก็ไปเที่ยวเล่าเรื่องอริยสัจให้คนฟังทั่วไปหมดเลยนะดีไหม ถ้าไม่รู้กาละเทสะเป็นต้นนะเสียแต่ที่จะดีเนี่ยแย่น่เนี่ย น, นะเพราะฉะั้นพระองค์เนี่ยรู้แต่ที่จริงแล้วก็น่าสําคัญนะว่าบําเพ็ญบารมีมาขณะมามากขนาดนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะสงเคราะห์สัตว์ถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครมีอินทรีย์เป็นยังไงเนี่ยถามว่าพระองค์เสียเวลาไหมถ้าถ้าไม่รู้นะั่นก็เสียเวลาแต่เขาบอกว่าตั้งแต่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะคําว่าเสียเวลาหน่อยหนึ่งไม่มี ของพระพู้เปเจ้านะได้บอกว่โอ้โหแปลพลาดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยไม่มีเด็ดขาดเลยไม่มีคําว่าพลาดไม่มีคําว่าพลังไม่มีคําว่าเผลอแต่ก็ไม่มีคําว่ารีบแต่ก็ไม่ชักช้าเนี่ยนะเขาบอกว่ารู้หมดเลยสมบูรณ์แบบหมดทุกรอบเขาเรียกว่านนเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสได้รอบด้านเลยนะถ้าใครนะถ้าหาคนล่าเลื่อมใสไม่พอนะเลื่อมใสพระพู้เเจ้าศึกษาพุทธคุณให้ดีแล้วมานั่งเลื่อมใสที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสจริงๆเนี่ยนะ พอพระองค์ตรวจดูโลสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุก็ได้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยก็มีมีทุลีคือกิเลสในจักสุมากก็มีเห็นไนหะมก็กิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยรู้เลยอย่างต่อไปนะอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอินทรีย์มีห้านะหนึ่งศรัทธาสองวิริยะ3 ส, สติ4 ส, สมาธิหปัญญา น, นะพวกที่มีอินทรีย์ทั้งห้าเรียกว่ามีอินทรีย์แก่กลา้าผู้ที่มีทั้งห้านี้น้อย mm. เรียกว่าอินทรีย์อ่อนไม่ใช่จักขุนศีเนี่ยแก่กลา้าโสตินทรีคารินรีย์ชิวหินรีแก่กลา้าแล้วจะเข้าใจอริยสัจเร็วขึ้นนี่ไม่ใช่เลย น, นะหรือว่าจักขุนศีมีกําลังน้อยเงยเนีไม่ใช่มันไม่ใช่อินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายใจนะแต่หมายถึงศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและก็ปัญญา ไม่ใช่ว่าจากักขุนซีเนี่ยนะโอ้หจะมองไม่เห็นอยู่แล้วไปพูดอริยาศาสตร์ให้เขาฟังเลยนี่ทุกขสัตว์นะรับไม่ได้หรอกแต่เมื่อเช้ามั้งเช้าหรือเมื่อวานะเห็นยอมคนหนึ่งกตาบอดข้างหนึ่งอายุยุ่มมากละหกสิบเจ็ดสิบละโอตาบอดข้างหนึ่งนะนะ 60, หนนะเห็นแล้วก ร, รุณามากเลยนะมาใส่บาทรนะก็ไม่เคยเห็นแล้วแต่ว่าก็เดินไปไงเดินผ่านร้านค้าก็ซื้อของมาใส่บาทว่าโอโหเห็นแล้วนะ่าก ร, รุณามาก นะบอดข้างหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเป็นชาวบ้านสมบูรณ์แบบนี่แหละเนี่นะจะบอกว่าตาบอดด้วยนะเขบอกโอ้ลืมไปว่ากใสายบาตนะรนายก็พกหัวใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วก็พอใส่าบาทรับพรเสร็จกขาบอกโอ้ลืมไปเขาบอกงั้นลอยๆนี่นะเราก็เห็นแล้วกรุณามากอย <c oughs> นะีดงนั้นเจริญกรุณาดีแล้วก็สัตว์ที่มีอาการดีก็มีนะที่มีอาการไม่ดีก็มี ให้อาการนี่เป็นยังไงก็พวกไม่มีศรัทธานนะให้รู้เถอะว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วพวกไม่มีความเพียรก็อาการไม่ดีไม่มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยพวกนี้อาการไม่ดีอะ่ะให้รู้เอถาอะถ้าอาการไม่ดีเนี่ยนะอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเสียแน่ไเป็นบุคคลไม่แต่ปายะแล้วถ้าอาการไม่ดีเนี่ยที่มีอาการดีก็มีที่มีอาการซามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีที่สอนให้รู้ได้ยากก็มี ผู้สอนง่ายก็หมายว่าพูดแล้วก็เข้าใจเลยนะผู้สอนยากก็คือพูดแล้วก็ไม่รู้เขาแปลว่าอะไรเนี่ยนะแปลแล้วแปลอีกต่างหลายตลบก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็สอนยากแล้วก็มีปกติเห็นปาราโลกและโทษโดยความเป็นภัยมีอยู่คำว่าปราโลกหมายถึงอะไรบ้างโลกหนึ่งไม่แก่าำไมนะโลกหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งปวงํำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองนามรูปโลกสาม เวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าขันท่าโลกหอายตนะภายในหนะโลกเจ็ดคือวิญญาณทิติเจ็ดโลกแได้แก่โลกธรรม8ปดโลกเก้าสัตววาดเก้าโลกสิบอายตนะทั้งสิบเหมโลกสิบสองอายตนะสิบสองโลกสิบแปดถ้าสิบแปด โลกแล้วก็แบ่งเป็นโลกนรกโลกเปรตโลกเดชาน์มนุษยโลกเทวโลกก็นี้เรียกว่าตามคตินะแล้วก็โลกถ้าพูดแบบสังสารวัตก็คือขันอาญาตนะเนี่ยนะขันอาญาตนะธาตุนี่เรียกว่าโลกโลกผู้ที่เห็นโลกเหล่านี้บางพวกก็เห็นเป็นภัยนะบางพวกก็ไม่เห็นเป็นเป็นภัยส่วนคําว่าโทษโทษนี่ได้แก่อะไรทุจริตสามนี่เรียกว่าโทษกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็ มโนทุจริตนี่เรียกว่าเรียกว่าโทษหรืออกุศลทุกชนิดเรียกว่าโทษผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นโทษก็มีที่ไม่เห็นว่ามีโทษก็มีเนี่ยนะผู้ที่มีคุณธรรมในฝ่ายดีนะแสดงว่ามีอุปนิสัยแห่งมรรคผลถ้าไม่ไม่เห็นโทษเลยก็ไม่มีแล้วก็อุปมาเหมือนดอกบัวนะที่เราเคยได้ยินบัวสี่เหล่าบัวสามเหล่านี้ก็ตรงนี้แหละว่า มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกอุบลก็ดอกอยังไงอุบลดอกอุบลดอกประทุมในกอรประทุมดอกบุญทริกในกอบุญทริก น, น, นะแสดงว่าบัวมีหลายสายพันธุ์นะนะสรุปก็บัวนั่นแหละคือไอถ้ากออุบลเนี่ยนะไอไอกออุบล น, นี่นึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าประทุมกับบุญทริกเนี่ยนึกออกไอบุญทริกก็บัวประเภทเอามาแกงเปน็นต้นใช่ไหมคือยาไทยนี่นะ บัวคนที่เรียนยาไทยจะต้องรู้บัวเยอะอ๋อบัวนี่หลายสายนะมีตั้งแต่บัวหลวงบัวเพื่อนบัวขาบัวบัวสัตตบุตรบัวสัตตบันบัวลินจงบัวจงกรณีมีเยอะโอมีหลายสายนะนะสายบัวด้วยเจนน่าตนต้องปลาทูนี่อ๋อบัวก้านกับบัวสายอ๋อบัวก้านกับบัวสายก็ตามดอกปันใช่ไหมตามดอกตามลักษณะ เจ้าทอนอกมาก็รู้ก็เรียกบัวบวก็บัวก็เขาไปงันน่ะนะว่าบัวเหล่านี้นะเทศที่เป็นบัวดอกเนี่ยนะเน้นที่บัวดอกนะว่าอุปมาบัวเนี่ยนะตัวบัวนี่เหมือนอะไรเหมือนกับสัตว์เนี่ยนะสัตว์เนี่ยเหมือนดอกบัวใช่ไหมดวงอาทิตย์เหมือนกับพระธรรมคําสอนเนี่ยนะแสงอาทิตย์นะถ้าบานเนี่ยคือการตรัสรู้อริยสัจนะนะทำไมนะดอกบัวเหมือนกับหมูสัตว์ แสงอาทิตย์เหมือนกับคําสอนถ้าบานนี่เหมือนกับการตรัสรู้อริยสัจทีนี้เอเ อ, เอการณ์ที่บัวมันจะบานได้ก็ต้องอาศัยหนึ่งต้องพ้นน้ำใช่ไหมสองต้องมีดวงอาทิตย์สองบัวจึงจะบานได้อันนี้ก็เหมือนกันแต่ทีนี้บัวบางเหล่านะพวกจมอยู่ในน้ําแล้วก็น้ําเลี้ยงเอาไว้บัวบางเหล่าก็เสมือนน้าบัวบางเหล่าก็พ้นน้ําอันน้ําไม่ติดแล้วตรงนี้พูดแต่บัวสามประเภทนะไอ้บัวใต้น้ําไม่พูด คือพูดแต่ว่าบัวที่พอจะบานได้ไอ้พวกบัวบานไม่ได้ไม่จําเป็นต้องพูดเ <c oughs> นี่ยนะหรือมันอีกนานจะบานนี่ก็ไม่รู้จะพูดไปทําอะไร <c oughs> ก็พูดไอ้พอที่จะบานได้ว่าเอ้ย บ, บัวแบบนี้นะมันต้องบานภายในวันนี้เนี่ยนะเช้านี้บานแน่บัวกลุ่มนึงพรุ่งนี้บานอีกสามสี่วันบานส่วนในพวกที่เป็นอาหารพวกเต่าปลาก็ไม่จําเป็นอันนะี้บัวเหล่าที่สี่เนี่ยนะตรงนี้เอาแค่สามเหล่ามา ที่เน้นสามเหลา่าคือเน้นพวกที่พอบรรลุไอ้พวกไม่บรรลุไม่พูดถึงคือคืออย่างนี้นะว่าพระองค์เนี่ยวิธีแบ่งของพระองค์ตอนแรกเลยนะพระองค์จะแบ่งว่าผู้ที่บรรลุกับผู้ไม่บรรลุก่อนแบ่งเป็นสองประเภท น, นะแล้วผู้ที่ไม่บรรลุนะไม่คิดถึงเหมือนกับว่าไม่ไม่อยู่ในประเด็น น, นะไม่ไม่คิดถึงไม่จําเป็นต้องเอามาคิดเสร็จ แ, แล้วก็มาคิดแต่พวกที่จะบรรลุนี่แหละแล้วพวกที่จะบรรลุนะมีปริมาณเท่าไหร่ มีกลุ่มบรรลุเร็วมีกลุ่มบรรลุช้าแล้วมีช้ามากๆนะช้ามากๆกกับลุมแล้วไอ้ในพวกที่บรรลุเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยแบ่งตามจริตอ่าวกลุ่มนี้ราคะจริตกลุ่มนี้โทสะจริตกลุ่มนี้โมหะจริตกลุ่มนี้วิตกจริตกลุ่มนี้ผู้ที่จริตกลุ่มนี้ศรัทธาจริตเนี่ยนะก็แบ่งจริตแล้วในจริตเนี่ยทั้งหมดเหล่านั้นต้องอาศัยพระธรรมเทศนาเหล่าไหนบ้างนะแบ่งแบ่งแบ่งบ็ดเสร็จหมด แล้ยกวาคำนวณเบ็ดเสร็จหมดว่าจะบรรลุเท่าไร่ต้องแสดงธรรมะเท่าไร่ยาวขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะก็แคปเดียวนั้นพระองค์ก็พิจารณารอบครอบเบ็ดเสร็จแล้วก็เลยว่าเออหมูสัตว์นี่เป็นอย่างนี้แหละพอพอตกลงใจว่าผู้ที่จะตรัสรู้ทำได้มีสามประเภทคือหนึ่งนะอย่างที่ว่าพวกอุคติตันยูเหมือนกับพวกที่เหมือนกับพนนลน้ำแล้วฟังแต่ธรรมะโดยย่อบรรลุพวกวิปปัญจิตันญูก็ต้องขยายพิสดารหน่อย พวกนัยยะบุคคลฟังแล้วฟังอีกเรียนแล้วเรียนอีกท่องแสดงทําสารพัดแล้วบรรลุในชาตินั้นได้เรียกว่านัยยะบุคคลถ้าต้องรอชาติหน้าแล้วบรรลุนะพวกนี้เป็นปัทภปรมาหมดเนีย่ยนะแล้วมีด้วยนะพวกผ์ก็แสดงทำให้ประเภทปทภประมะด้วยเหมือนกันก็เป็นวาสนาต่อไปไงเนีย่ยนะอย่างในสัจจกะนิครณเนี่ยนะ องค์ก็แสดงธรรมเป็นวาสนาบรรลุในครั้งต่อไปแล้วก็ศาจการนิคนก็บรรลุไปแล้วแล้วก็มหาสกุลุทายีเนี่ยนะปริภาชกนี่ก็แสดงธรรมนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเป็นร้อยปีอะสมัยพระเจ้ า, าโศกและสกุลุทายีจึงมาเกิดที่ว่าพระอสุขเนี่ยนะแล้วก็มาบรรลุธรรมในตอนหลังเพราะนนั้นถ้าแสดงเพื่อวาสนาต่อไปนี้ก็กพระองค์ก็แสดงธรรมนะนะแต่อย่างของเราทั้งหลายเนี่ยพระองค์รู้แล้วว่าได้เรียนอย่างนี้แหละ ไม่ใช่ไม่รู้หรอกแต่ว่าได้เรียนน้าจะได้บรรลุนี่ของใครก็ของใครและของมานี่ก็ตาบอดได้รับฟังนะโอ้มีอุปนิสัยแล้วเโอ้โห <c oughs> นั่งฟังอ ร, ริย้าสาบได้ยาวขนาดนี้ <c oughs> ก็เก่งมากแล้ว <c oughs> นั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าเราเปิดประตูอมาตะแก่ท่านแลว้วก็คือประตูนะใหม่นะเอาใหม่ประตูคืออริยมรรคอมาตะคือนิพพานเว่า ง, งั้นเราเปิดอริยมรรคเพื่อ น, นิพพานแก่ท่านแลว้วแต่ว่า สัตว์เราใดจะฟังก็จงปล่อยศรัทธามาเถิดเพราะฉะนั้นจะต้องมีศรัทธาน ะ, ะเครียกว่าเนื้โศตินรีแล้วก็ตั้งมนินทรีย์ให้ดีเนี่นะก็มนัสิการตามเรียกว่าปล่อยความผ่องใสมาในในศรัทธาในญาติสัตว์เหล่านี้แหละดูก่อนพรม้มเพราะเรามีความสําคัญในความลําบากจึงไม่แสดงธรรมที่เราคล่องแคล่วประณีตในหมู่มนุษย์จริงๆแล้วไม่ใช่ว่า ธรรมะนี่ไม่คล่องแคล่วไม่ชํานานอะ่ะชํานานมาเป็นอย่างดีใช่ไหมโอ้ยไม่ชํานานอย่างดียังไงนั่งตรึกไม่รู้มากี่รอบต่อกี่รอบแล้วแล้วคิดก็คิดเหมือนกับชาวบ้านที่ไหนใช่ไหมนั่งคิดได้ทั้งคืนอย่างเงี้ยนะคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสรุปนะสังเกตดูว่าตั้งแต่ตรัสรู้จนมาถึงนั่งเนี่ยนะถ้าพูดว่าถามว่าพระองค์ได้หลับหรือยังอยังไม่ได้นอนเล ย, ยนนในทางโลกนะะสลับหน่อยท่านจะได้หายเหนื่อยนะในทางโลกนะหมอฟันะ หมอปลามโมดเนี่ยเขาบอกว่าแกจะพรุ่งนี้แกจะต้องไปสอนหนังสือนักเรียนสอนชั่วโมงเดียวแกบอกแกเตรียมตัวทั้งคืนนี่ผมยกคืออย่างให้ฟังหมายความว่าพระพูทภาพทรงเตรียมพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนศัพท์เนี่ยสีอสงไขยกับแสนกับกวา่ากว่าจะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยนะถ้าอาจารย์ที่ดีต้องเตรียมอย่างนั้นต้องถามอาจารย์เกศสอนดูเป็นอย่างนั้นเปล่าครับนะอืจารย์เกศดาเนี่ยอาเกศดา เตรียมขนาดนั้น <hint> ต <endorsed> ้อเตรียมขนาดนั้นนะแมก็แสดงว่าการเตรียมตัวนี้สําคัญมากเลยใช่ไหมฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันนั่นแหละพระองค์เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะที่จะแสดงธรรมเนี่ยนะให้แกแกสัตว์โดยที่ไม่มีอิดออดแม้แต่หน่อยเดียวเลยเนะ่ยพรเจ้าเหมือนกับว่าตอนนี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยนะเขดีหมดเลยเพื่อที่จะสอนสอนสอนธรรมมาให้สัตว์เนี่ยนะ เพราะไรเพราะว่าถ้าโดยลําพังที่จะตรัสรู้เองก็ตรัสรู้เมื่อได้เสียสงไข่แสนกลับที่แล้วถ้าเฉพาะตัวนะ mm hmm. อย่าลืมว่าชีวิตเสียสงไข่แสนกลับเนี่ยเพื่อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้เพื่อผู้อื่นเลยเพราะฉะนั้นของเรานี่ก็ถือว่ารับมรดกจากพระ อ, องค์มาตั้งหลายอย่างเนละนึ่ศรัทธาก่อน2 อ, อย่างวันนี้ก็วันอุโบสถก็รักษาศีลแปดกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นมรดกคือได้ศรัทธาแล้วนะแรกสองศีล สามสุตะใช่ไหมฟังมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะีอันนี้ก็มรดกคือสุตตะแล้วก็จาฆะเนี่ยนะก็มีการสละสละทั้งภายนอกเนี่ยนะหลายท่านก็ธรรมทานเนี่ยนะทำให้หนังสือเทศเองไม่ได้ก็ให้หนังสือก็ได้เงี้ยนะเสร็จแล้วก็ทั้งอภัยทานก็ศีลเนี่ยนะแล้วก็วัตถุทานอีกทั้งน้ําทั้งอะไรที่มาช่วยกันสงเคราะห์กันเนี่ยนะนะแล้วก็ยังทําบุญอย่างอื่นอีกเงีนะ้ยสุตะเออแล้วก็จาฆะนะเหมือนกับสละ แล้วก็ยังมีฮีริโอตา ป, ปะก็เป็นผู้ที่อายชั่วกลัวต่อบาปแล้วก็มีอะไรมีปัญญาเนี่ยนะรู้อย่างน้อยก็กรรมสกตาสัมมาทิฐิหรือแม้กระทั่งปัญญาที่เป็นสุตะมะยะปัญญาเนี่ยนะก็ฟังมาก็ได้เยอะแล้วใช่ไหมว่ารู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งอ่ะนะธรรมะเหล่านี้เป็นไปในความเสื่อมความวิเศษความดํารงอยู่หรือว่าเป็นไปเพื่อชําแรกกิเลส สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานี่ก็เข้าใจวันนี้ทุกข์สมุทัยนี่โรดมรักก็เข้าใจไปตั้งเยอะแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนุภาพของปัญญาละอันนี้ถ้าหากว่ามีการบําเพ็ญหรือการปฏิบัติเมื่อไหรนะเมื่อเจริญไปเป็นสติปัญฐานสัมมาปาัญญาอิทิบาทอินทรพละโพชฌงหรือกระทั่งบําเพ็ญสาเร็จเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นเป็นอริยทรัพย์ของเราเนี่ยนะเป็นทรัพย์ภายในที่ อยู่ที่ไหนก็อยู่ในอุปนิสัยจริงๆเนี่ยนะก็เป็นอุปนิสัยของเราแล้วงนั้นอุปนิสัยเหล่านี้ก็ถือว่าจะเป็นปุบเพกกระตะปุญญาตาต่อไปเนี่ยนะก็อาศัยบุญเก่าแหละเป็นปัจจัยให้ทำได้ขนาดนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปุบเพกกระตะปุญญาตาต่อไปทำให้เกิดในปฏิรูปประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะ นี้ต่อไปนะว่าพระ อ, องค์นี้เมื่อรับอาราธนาแล้วนะว่าจะแสดงธรรมโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์แล้วอ่ะพรหมเนี่ยเสร็จภารากิจก็กลับนะนะกลับพรหมเสวยเข้าสมาบัติสบายพอองศ์ก็ทีนี้ก็คนรับนี่แหละไปแล้วก็นเหนื่อยนะแต่ก็ไปดูนะพระ อ, องค์แสดงธรรมบรลุพลหนึ่งเนี่ยโอ้พระองค์ชื่นใจมากเลยนะ ัญญาซีวัตโพโกนทันโย โ, โกนทัญญะรู้แล้วหนาะดีใจมากสมมนักมากที่สอนแล้วก็ได้บรรลุนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะเพึงแสดงธรรมะแก่ใครเนาะใครจะรู้ทั่วถึงธรรมานี้ได้ฉับพลันก็ได้แล้วก็ทรงดำริต่อไปว่าอาระละดาบทการามโคตนี้แหลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุรีคือกิเลสในจักษุน้อยเป็นปกติมานาน เ พ, พราะอะไรเพราะว่าได้ฌานเนี่ยได้ฌานกิเลตไม่กลุ่มรุมมานานแล้วถ้ากระไรเราจะพึงแสดงธรรมะแกอาลาละดาบทกาลามโคตรก่อนเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้ฉับพลัน